จิตนี้คือรากแก้วของทุกสิ่งถ้าเธอเข้าใจธรรมชาติจิตมันก็เข้าใจทุกๆสิ่งไปด้วยคำสอนเพื่อความหลุดพ้น b r e t h r o s i m ถ้าบุคคลต้องการที่จะบรรลุบุรุษพ้น อะไรเป็นวิธีการสำคัญที่สุดที่เขาจะต้องปฏิบัติวิธีการที่สำคัญที่สุดที่รวมเอาทุกๆวิธีการเข้าไว้ด้วยกันคือการติดตามเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตแต่ทำไมวิธีเดียวนี้จึงรวมเอาวิธีอื่นเข้าไปด้วยจิตนี้ คือรากแก้วของทุกสิ่งถ้าเธอเข้าใจธรรมชาติจิตมันก็เข้าใจทุกๆสิ่งไปด้วยคล้ายๆกับรากของต้นไม้ทั้งผลดอกกิ่งใบล้วนขึ้นอยู่กับรากของต้นไม้ถ้าเธอบำรุงรากให้ดีต้นไม้ก็เจริญงอกงามถ้าเธอตัดรากมันต้นไม้ก็ตาย ใจจิตดีก็จะบรรลุถึงวิมุติภาวะได้โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยผู้ไม่เข้าใจจิตเลยจะปฏิบัติก็เสียเวลาเปล่าทุกสิ่งดีหรือชั่วล้วนมาจากจิตของเธอการจะค้นพบสิ่งอื่นๆภายนอกจิตย่อมเป็นไปไม่ได้แต่การเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตอย่างไรจึงเรียกว่าการเข้าใจ โพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ศึกษาอย่างลุ่มลึกเข้าถึงปัญญาอันสมบูรณ์ท่านได้รู้ชัดว่าทั้งธาตุสีและขันห้าล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและท่านได้แจ้งชัดว่าพฤติกรรมของจิตของท่านมีอยู่เพียงสองแบบคือบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ในธรรมชาติของมันสภาวะทั้งสองนี้ล้วนปรากฏอยู่เสมอๆ ส, สลับไปสลับมาตามเหตุปัจจัยที่ปรงแต่งจิตบริสุทธิ์มีผลให้เกิดการกระทำที่ดีๆส่วนจิตที่ไม่บริสุทธิ์มีผลต่อ ก, กัรความคิดในสิ่งที่ชั่วช้าผู้ที่อิสระจากความไม่บริสุทธิ์ได้เรียกว่าปราช พวกเขาจะอยู่เหนือความทุกข์และได้สัมผัสกับนิพพานส่วนคนอื่นๆทั้งหลายมักติดอยู่กับจิตที่ไม่บริสุทธิ์และผัวพันอยู่กับกรรมของตนนั่นคือปุตตุชนพวกเขาจุติไปในโลกทั้งสามและประสบความทุกข์ทรมานอย่างนับครั้งไม่ถ้วนและทั้งหมดก็เป็นเพราะจิตอันไม่บริสุทธิ์ของเขาเหล่านั้น มันปิดบังตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไว้ในพระสูตรสิบขั้นได้กล่าวไว้ว่าในร่างกายของปุตุชนก็มีพุทธะที่ไม่อาจจะถูกทำลายได้อยู่เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์พลังแสงของมันกระจายไปทั่วจักรวาลแต่ทันทีที่ถูกปิดบัง ด้วยเมฆดำของขันห้ามันก็เหมือนแสงที่อยู่ในโอง่งไม่สามารถจะเห็นได้และในนิพพานสูตรกล่าวว่าปุถุชนทั้งหลายมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอยู่แต่มันถูกปิดบังด้วยความมืดที่พวกเขาไม่สามารถจะหลบหลีกได้พุทธภาวะของเราคือความตื่นแจ้งคือการตื่นรู้ และทำให้ผู้อื่นตื่นรู้การแจ้งชัดต่อความตื่นแจ้งนี้คือความหลุดพ้นทุกๆสิ่งที่ดีจะตื่นรู้ต่อรากเงาของมันและจากรากแห่งความตื่นรู้นี้จะงอกงามเป็นต้นไม้แห่งคุณความดีและออกผลแห่งนิพพานการเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตของตนเช่นนี้ละ่ะคือการเข้าใจ กล่าวว่าธรรมชาติแห่งพุท ธ, ธะที่แท้จริงของเราและคุณความดีทั้งหลายมีความตื่นรู้เป็นรากเง่าของมันแต่อะไรเล่าคือรากเง่าของจิตที่ยังหลงจิตที่ยังหลงที่ต้องประสบความทุกข์มากมายยังจมอยู่ในความรักความใคร่และความเลวร้าย มีรากเง่ามาจากพิษทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะภาวะของจิตทั้งสามอันเป็นพิษร้ายนี้ได้รวมความชั่วร้ายไว้อย่างนับไม่ถ้วนเช่เช่นต้นไม้ที่มีลำต้นเดียวแต่มีกิ่งและใบที่นับไม่ถ้วนพิษร้ายแต่ละตัวได้สร้างความชั่วร้ายเป็นจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกับต้นไม้ ร้ายทั้งสามนี้จะมีอยู่ในอายตนะภายในทั้งหกซึ่งเป็นแหลงที่จะเกิดความรู้สึกทั้งหขึ้นหรือเรียกว่าเป็นโจรที่เรียกว่าโจรก็เพราะว่ามันผ่านเข้าและออกทางประตูของความรู้สึกละโมบอยากจะครอบครองสิ่งต่างๆยังไม่มีขีดจำกัดผัวพันอยู่กับสิ่งชั่วร้ายและปิดบังตัวตนที่แท้จริงไว้ ปุตุชนเข้าใจผิดต่อความจริงของกายจิตนี้เพราะผิดร้ายทั้งสามและโจรนี้พวกเขาก็เลยจมลงไปในชีวิตและความตายหลงท่องเที่ยวไปในภูมิทั้งหกแล ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ทรมานอย่างนับไม่ถ้วนความทุกข์ทรมานนี้คล้ายกับแม่น้ำที่ไหลไปเป็นพันพันไม่เพราะมันหล่อเลี้ยงมาจากน้ำซับน้าซึมเล็ก ที่ไหลอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งสามารถตัดต้นกำเนิดของมันได้แม่น้ำก็จะเหือดแห้งลงและถ้าบุคคลผู้สแสวงหาทางหลุดพ้นสามารถเปลี่ยนพิษร้ายทั้งสามนี้ให้เป็นศีลสมาธิปัญญาและเปลี่ยนโจรทั้งหกเป็นบารมีทั้งหก เขาก็สามารถนําตัวเองพ้นออกมาจากความทุกข์ได้ทันทีและตลอดไปแต่พบทั้งสามและภูมิทั้งหกนั้นกว้างใหญ่มากมายมหาศาลเราจะหนีจากความทุกข์ยากอันไม่มีจํากัดของมันได้อย่างไรถ้าสิ่งที่เราทําทั้งหมดคือแค่การเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิต มในภพทั้งสามล้วนมาจากจิตยอย่างเดียวถ้าจิตของเธอไม่ได้ตกจมลงไปในภพทั้งสามเธอก็จะอยู่นอกเหนือมันภพทั้งสามมีความสัมพันธ์กับพิร้ายทั้งสาความโลภเกี่ยวพันกับกรรมมาภพความโกรธเกี่ยวพันกับรูปภพและความหลงเกี่ยวพันกับอรูปภพและเพราะว่า กรรมที่ถูกสร้างด้วยพิษทั้งสามนี้อาจจะเบาบางหรือรุนแรงก็ได้พบทั้งสามจึงสามารถแบ่งออกเป็นหกแห่งที่รู้จักกันในนามภูมิทั้งหกนั่นเองกรรมในภูมิทั้งหกนี้แตกต่างกันอย่างไรปุตตุชน ผู้ไม่เข้าใจการปฏิบัติที่แท้จริงและหลงติดในการเจริญกุศลกรรมก็จะเกิดในภูมิชั้นสูงสามภูมิแล้วอะไรคือภูมิทั้งสามนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญความดีทั้งสิบอย่างมืดบอดยึดติดในความสุขที่ได้รับก็จะเกิดเป็นเทพเทวดาในภูมิแห่งความโลภ บ, บุคคลผู้บำเพ็ญศีลห้าอย่างงมงาย และยังลุ่มหลงอยู่ในความรักและโกรธเครียดจะเกิดเป็นมนุษย์ในภูมิแห่งความโกรธและบุคคลผู้มืดบอดยึดติดอยู่กับปรากฏการณ์ต่างๆของโลกหลงเชื่อในคำสอนที่ผิดและยังติดอยู่กับการอ้อนวอนขอก็จะเกิดเป็นปีศาจในภูมิแห่งความหลงนี่คือภูมิชั้นสูงสามภูมิบน อะไรคือภูมิชั้นต่ำสามภูมิล่างนั่นคือภูมิที่ผู้ยังคงติดอยู่ในความคิดอันเป็นพิษร้ายและกระทําการอันชั่วร้ายมาเกิดบุคคลผู้มีกรรมจากความละโมบโลภมากเป็นใหญ่คือเปรตที่หิวโหวยบุคคลผู้มีกรรมจากความโกรธเป็นใหญ่ก็จะกลายเป็นผู้ทนทุกข์ในนรกและบุคคลผู้มีกรรมจากความหลงเป็นใหญ่ ก็จะกลายเป็นอสุรกายในภูมิชั้นต่ำทั้งสมนี้ร่วมกับภูมิชั้นสูงทั้ง3ประกอบกันเป็นภูมิทั้ง6จากสิ่งนี้เธอควรจะชัดแจ้งว่ากรรมทั้งหลายความเจ็บปวดหรืออย่างอื่นๆทั้งหมดล้วนมาจากจิตของตนหากเพียงแค่เธอสามารถใส่ใจในจิตของเธอและอยู่นอกเหนือความผิดพลาด และความชั่วร้ายทั้งหลายความทุกข์ยากในภพทั้งสามภูมิทั้งหกก็จะบอันตรธานไปโดยอัตโนมัติและทันทีที่อิสระจากทุกข์เธอก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าหลังจากที่ได้บำเพ็ญมาอย่างหนัก ผ่านความทุกยากมานับไม่ถ้วนตลอดเวลาสามอสงไขกลับถึงได้บรรลุซึ่งอนุตตรสัมโพธิญาณแต่ทำไมตอนนี้ท่านบอกเพียงว่าแค่เฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตและชนะอำนาจแห่งพิษร้ายทั้งสามได้ก็จะเป็นการบรรลุหลุดพ้นแล้วคำพูดของพระพุทธองค์นั้น เป็นความจริงแต่ที่ว่าสามอสงไขกับนั้นหมายถึงภาวะของจิตใจที่ติดอยู่ในพิษร้ายทั้งสามคำว่าอสงไขในสันสกฤตแปลว่านับไม่ทวนในภาวะจิตที่จมอยู่ในพิษร้ายทั้งสามนี้เป็นอาการของความคิดปรุงแต่งของสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ทวนและทุกๆความคิดคงอยู่เป็นกับ คำว่าอาสงไขยกับพระพุทธองค์จึงมุ่งหมายถึงความที่นับไม่ท่วนทันทีที่ตัวตนแท้จริงของเธอถูกปิดบังด้วยพิษทั้งสามเธอจะหลุดพ้นได้อย่างไรจนกว่าเธอจะชนะความคิดปรุงแต่งอันชั่วร้ายนับครั้งไม่ท้วนของมันนั้นเสียก่อนบุคคลผู้สามารถแปลงพิษร้ายทั้งสามแห่งความโลภโกรธ หลงมาเป็นพลังในการปล่อยวางความโลภโกรธลงได้ก็นับว่าได้ผ่านสามอสงไขยกลับนั้นแต่มนุษย์ในยุคปลายของพระสัทธรรมอ้างอิงยุคแห่งสัทธธรรมบางแห่งแบ่งออกเป็นช่วงละ5้ารปีบางแห่ง แบ่งเป็นช่วงละ 1,000 ปีคือช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายนับจากพระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่แต่ละช่วงความเจริญแพร่หลายในพระศัท์ธรรมจะค่อยๆลดลงลดลงแต่มนุษย์ในยุคปลายของพระศัท์ธรรมเต็มไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา พวกเขาไม่อาจเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงหมายถึงจริงๆในเรื่องอสงไขยกับพวกเขามักจะพูดเสมอว่าการบรรลุหลุดพ้นจะเกิดได้ก็ต้องใช้เวลานับกลับนั่นละเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดในการที่จะดำเนินไปบนทางสู่พุทธภาวะแต่โพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ได้บรรลุ ถ, ถึงซึ่งความหลุดพ้น โดยการถือศีลในสามกลุ่มและเจริญบา ร, รมีทั้งหกแต่ตอนนี้ท่านกลับบอกว่าเพียงให้เฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตตนเท่านั้นบุคคลจะบรรลุหลุดพ้นได้อย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ศีลทั้งสามกลุ่มมีไว้ก็เพื่อชนะพิษร้ายทั้งสามในจิตใจ เมื่อเธอชนะพิตรายทั้งสได้เธอก็จะทำให้เกิดคุณความดีสามกลุ่มอันไม่มีประมาณแต่ละกลุ่มก็ได้รวมสิ่งต่างๆไว้ด้วยกันในกรณีนี้ความคิดที่ดีอย่างนับไม่ถ้วนจะเกิดขึ้นในจิตของเธอปรามีทั้ง6มีไว้ก็เพื่อทำให้ความรู้สึกสัมผัสทั้งหบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่า บรารมีก็หมายถึงเครื่องพาข้ามไปสู่ฝั่งโน้นโดยการทำให้ความรู้สึกสัมผัสทั้งหกบริสุทธิ์จากสิ่งมัวหมองคือกิเลสนั้นบรารมีก็จะนำเธอข้ามแม่น้ำแห่งความทุกข์ไปสู่อีกฝั่งแห่งวิมุติหลุดพน้นจากพระสูตร ศีลทั้งสามกลุ่มหมายถึงฉันปฏิญาณจะหยุดกรรมทชั่วทั้งปวงฉันปฏิญาณที่จะเจริญความดีให้ยิ่งและฉันปฏิญาณที่จะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นแต่ตอนนี้ท่านกล่าวเพียงว่าให้ควบคุมภาวะทางจิตใจที่มีพิษร้ายทั้งสามเท่านั้นอย่างนี้มันจะเป็นการไม่ตรงกับความหมายของพระสูตรหรือเปล่า พระสูตรของพระพุทธเจ้านั้นกล่าวไว้ถูกแล้วแต่นานมาแล้วเมื่อโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เพาะบ่ ม, มเมล็ดพันธ์แห่งวิมุติหลุดพ้นมันคือการต้านทานต่ออำนาจของพิดร้ายทั้งสามในจิตใจนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ปฏิญาณออกมาทั้งสามข้อนั้นการปฏิบัติศีล เป็นการต้านทานต่อพิษร้ายแห่งความโลภท่านจึงปฏิญาณที่จะหยุดกรรมชั่วทั้งปวงการปฏิบัติสมาธิเพื่อต่อต้านพิษแห่งความโกรธท่านจึงปฏิญาณที่จะเจริญความดีให้ยิ่งและการเจริญปัญญาเพื่อต่อต้านพิษร้ายแห่งความหลงท่านจึงได้ปฏิญาณที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้น เพราะว่าท่านดำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติอันบริสุทธิ์ทั้งสามในเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านจึงสามารถชนะพิษทั้งสามและบรรลุถึงซึ่งวิมุตติภาวะได้โดยการชนะต่ออำนาจพิษทั้งสามท่านได้ขจัดบาปอากุศลทั้งหลายและทำให้ความชั่วสิ้นสุดลงโดยการเจริญศีลท่านทาแต่ความดี และเพราะบ่มคุณความดีให้ยิ่งขึ้นและโดยการทำให้ความชั่วสิ้นสุดลงและเพราะบ่มคุณงามความดีท่านยิ่งทำให้การปฏิบัติทั้งหลายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันมีผลต่อประโยชน์ของท่านเองและประโยชน์ของผู้อื่นไปพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือสัพพชีวิตทั้งหลายให้ไปสู่ความหลุดพ้น เธอควรเข้าใจไว้ด้วยว่าการปฏิบัติที่เธอกระทำนั้นไม่ได้ออกไปภายนอกจิตเลยถ้าจิตของเธอบริสุทธิ์ดินแดนแห่งพุทธะทั้งหลายก็บริสุทธิ์พระสูตรกล่าวว่าถ้าจิตของพวกเขาไม่บริสุทธิ์สัพพชีวิตก็ไม่บริสุทธิ์และถ้าจิตของพวกเขาบริสุทธิ์ สัพพชีวิตก็บริสุทธิ์และเพื่อที่จะถึงซึ่งดินแดนแห่งพุทธะจงทำใจของเธอให้บริสุทธิ์เมื่อใจของเธอบริสุทธิ์ดินแดนแห่งพุทธะก็บริสุทธิ์ดังนั้นโดยการชนะพิษร้ายทั้ง3ในจิตใจศีลทั้งสามกลุ่มก็จะสมบูรณ์เอง พระสูตรกล่าวว่าบารมีทั้งหกคือทานศีลคันติวิริยะสมาธิและปัญญาแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าบารมีทั้งหกคือการทำจิตให้บริสุทธิ์ท่านหมายความว่าอย่างไรและมันจะเป็นเครื่องช่วยพาให้ข้ามฝั่งได้อย่างไร การเจริญบารมีหมายถึงการทำให้ประสาทความรู้สึกสัมผัสทั้งหกบริสุทธิ์โดยการชนะโจรทั้งหกการจัดการกับโจรทางตาโดยการปล่อยวางอารมณ์ทางตาคือทานบารมีการกาจัดโจรทางหูโดยการไม่ใส่ใจในเสียงคือศีลบารมีการลดอำนาจของโจรทางจมูก โดยการวางเฉยต่อกลิน่นได้กลิน่นสักวักลิน่นคือคันติบารมีการควบคุมโจรทางปากโดยการตัดความอยากในรสความยึดติดในคําสรรเสริญและนินทาคือวิริยะบารมีการปราบโจรทางกายโดยการสงบนิ่งต่อความรู้สึกสัมผัสคือสมาธิบารมีและ การทำให้โจรทางใจหมดอํานาจไปโดยไม่ยอมไหลไปกับความหลงด้วยการปฏิบัติตนเป็นผู้ตื่นรู้อยู่เสมอคือปัญญาบารมีบารมีทั้งหอย่างนี้จะเป็นเครื่องผ่าข้ามเช่นเช่นเรือหรือแพที่ช่วยขนสัตว์โลกข้ามไปยังฝั่งทางโน้นดังนั้นเขาจึงเรียกว่าเครื่องช่วยผ่าข้ามฝั่งแห่งโอคะสงสาร แต่เมื่อท่านสักยมุนีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านได้ดื่มนมสามถ้วยและน้ำข้าวหกท พ, พีก่อนที่จะบรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณถ้าท่านต้องดื่มนมเสียก่อนที่จะได้ลิ้มรสแห่งผลของพุทธภาวะแล้วแค่เพียงการเฝ้าสังเกตรธรรมชาติจิตจะมีผลให้เกิดความหลุดพ้นได้อย่างไร สิ่งที่เธอพูดนั้นถูกนั่นคือเหตุที่ท่านบรรลุได้อย่างไรท่านต้องดื่มนมก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่มันมีนมอยู่สองชนิดที่ท่านสางยมนีดื่มนั้นไม่ใช่นมที่ไม่บริสุทธิ์ธรรมดาแต่เป็นน้ำนมแห่ ง, งธรรมอันบริสุทธิ์ถ้วยทั้งสคือศีลทั้งสามกลุ่มและทัพพีทั้งหคือ บา ร, รมีทั้งหกการที่ท่านสักยมุนีได้บรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณมันเป็นเพราะท่านได้ดื่มน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งธรรมะท่านจึงได้รับรสแห่งผลของพุทธภาวะการที่คิดเพียงว่าพระตถาคตได้ดื่มน้ำนมนวัวธรรมดาธรรมดาที่มีกลิ่นเหม็นและเจือไปด้วยสิ่งไม่บริสุทธิ์ของโลก นับเป็นการมินประมาทท่านอย่างยิ่งมันเป็นสิ่งซึ่งเป็นความจริงที่ไม่สามารถทำลายได้เป็นธรรมที่ปราศจากราคะตันหาและคงความอิสระจากทุกของโลกอยู่ตลอดกาลทำไมจะไปต้องการน้ำนมอันไม่บริสุทธิ์มาเพื่อบรรเทาความหิวกระหายมันเล่าพระสูตรกล่าวว่าวัว น, นี้ มิได้อาศัยอยู่บนที่สูงหรือที่ต่ำมันไม่ได้กินเมล็ดข้าวหรือแกลบและมันไม่ได้ถูกเลี้ยงในทุ่งหญ้าร่วมกับบัวอื่นๆสีของบัวนั้นมีสีทองวัว น, นี้หมายถึงพระไวยโรจนะพุทธะเพราะความเมตตาอันยิ่งใหญ่หลวงต่อสรรพสัตว์ท่านได้กลั่นจากธรรมกายอันบริสุทธิ์ของท่าน เป็นน้ำนมแห่งธรรมอันประเสริฐสูงสุดคือศีลทั้งสามกลุ่มและบารมีทั้งหเพื่อบำรุงเลี้ยงผู้ที่สแสวงหาทางหลุดพ้นน้ำนมบริสุทธิ์จากวัวที่บริสุทธิ์จริงๆนั้นไม่เพียงแต่ทำให้ตถาคตได้บรรลุต่อพุทธภาวะเท่านั้นแต่ยังช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ดื่มมันบรรลุหลุดพ้นเช่นกันด้วย พระสูตรหลายๆแห่งได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวแก่ปุตุชนว่าพวกเขาสามารถจะบรรลุซึ่งวิมุติภาวะได้ก็โดยการสร้างกุศ ล, ลกรรมอันยิ่งเช่นการสร้างวัดเจดีย์จุดทูปบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนจุดโคมตะเกียง ปฏิบัติเช่นนี้อยู่เป็นประจำทั้งกลางวันและกลางคืนการเดินเวียนเทียนรอบพระสถูปการอดอาหารหรือการกราบไหว้บูชาแต่ถ้าต้องเฝ้าสังเกตดูจิตร่วมกับการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหมดที่ว่านี้ดูจะเป็นการกระทำที่มากเกินไปตลอดพระสูตรของพระพุทธเจ้า จะมีการอุปมาอุปไมยอยู่อย่างนับไม่ถ้วนเพราะว่าจิตของปุถุชนนั้นตื้นและมักไม่เข้าใจอะไรๆที่ลุ่มลึกเพระพุทธองค์ทรงใช้การอุปมาแทนสิ่งที่ละเอียดลึกซึง้งบุคคลผู้ต้องการความสุขความเจริญโดยใส่ใจอยู่กับงานภายนอกแทนการเฝ้าดูภายในความต้องการนั้นย่อมต้องล้มเหลว สิ่งที่ท่านเรียกว่าวัดเราเรียกมันว่าสังคารามคือสถานที่ชำระจิตใครก็ตามที่ปฏิเสธพิดร้ายทั้งสามก็จะรักษาประตูแห่งความรู้สึกของเขาให้บริสุทธิ์กายและจิตของเขาจะสงบระงับภายนอกและภายในจะสะอาดเป็นการช่วยสร้างวัดไปในตัวการก่อพระเจดี หมายถึงการปฏิบัติของบุคคลผู้ค้นหาทางหลุดพ้นการก่อพระเจดีย์หมายถึงการปฏิบัติของบุคคลผู้ค้นหาทางหลุดพ้นรูปลักษณ์อันสูงส่งของตถาคตไม่สามารถจะแทนได้ด้วยโลหะบุคคลผู้สแสวงหาทางหลุดพ้นจะใช้กายนี้เปรียบเหมือนเตาใช้ธรรมเป็นไฟ ใช้ปัญญาเป็นช่างผู้ชำนาญและศิลทั้งสามกลุ่มบารมีทั้งหกเป็นเบ้าหลอมพวกเขาจะถลุงและกลั่นกลองธรรมชาติแห่งพุทธะอันแท้จริงในตัวเองและเทมันลงสู่แบบพิมพ์ที่ขึ้นรูปโดยกฎระเบียบแบบแผนพิธีการการกระทำที่สอดคล้องอย่างดียิ่งกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เขาก็จะสร้างสิ่งที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์กายอันประเสริฐและเป็นนิรันด์ไม่ใช่สิ่งที่จะถูกปรุงแต่งหรือเสื่อมสลายหากเธอสแสวงหาสัตว์จากความจริงแต่ไม่เรียนรู้การกระทำที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมันอย่างแท้จริงแล้วเธอจะใช้วิธีใดอีกเล่า มิได้หมายถึงทูบธรรมดาทั่วๆไปแต่หมายถึงทูบแห่งธรรมที่สัมผัสไม่ได้ทูกที่จะช่วยขจัดความสกปรกสิ่งมัวหมองความหลงและการกระทาชั่วทั้งหลายด้วยกลิ่นหอมของมันมันมีทูบแห่งธรรมอยู่ถึงห้าชนิด 1. คือทูบแห่งศีลธรรมซึ่งหมายถึง การละจากความชั่วและกระทำแต่ความดีสองคือทูปแห่งสมาธิอันหมายถึงความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมด้วยจิตที่มั่นคงไม่งอนแง่นคลอนแคลนสามคือทู่แห่งปัญญาซึ่งหมายถึงการพิจารณากายและจิตนี้ทั้งภายนอกและภายในสี่ คือทูปแห่งความหลุดพ้นหมายถึงการตัดขาดจากแรงของโมหะความหลงและ5คือทูปแห่งความรู้อันสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาในทุกๆสถานที่โดยไม่มีติดขัดข้องขาอยู่กับสิ่งใดทูปทั้ง5้านี้ เป็นทูบที่มีคุณค่าที่สุดและเยี่ยมยอดกว่าทุกๆสิ่งที่โลกมีให้เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านได้บอกให้สาวกของท่านจุดทูปเหล่านี้ด้วยไฟแห่งความรู้สึกตัวเพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้าในทิศทั้งสิแต่คนในปัจจุบันไมิได้เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของตถาคตเขา ใช้เพียงไฟธรรมดาจุดทูปธรรมดาที่ทำจากแก่นจันทร์หรือกญาญํายานแล้วก็สวดมนต์อ้อนวอนในสิ่งที่ไม่อาจประสบพบเจอได้เลยสำหรับการโปรยดอกไม้นี้หมายถึงการพูดธรรมะการโปรยดอกไม้แห่งคุณงามความดีเพื่อช่วยเหลือประโยชน์แก่ผู้อื่นดอกไม้แห่งความดีงามนี้ได้รับการสันเสริญจากพระพุทธเจ้า มันคงอยู่ตลอดการโดยไม่จืดจางและใครก็ตามที่โปรยดอกไม้เช่นนี้จะได้รับความสุขอันนิรันดร์หากเธอคิดว่าตถาคตมุ่งหมายให้คนทำลายต้นไม้โดยการตัดดอกของมันมาบูชาเธอคิดผิดเสียแล้วบุคคลผู้ถือศีลจะไม่ทำลายชีวิตใดๆบนโลกและสวรรค์ ถ้าเธอทำลายสิ่งหนึ่งด้วยความไม่ตั้งใจเธอก็จะยังทุกข์ใจกับมันแต่บุคคลผู้ตั้งใจจะล่วงละเมิดศีลโดยการทำลายชีวิตอื่นเพื่อประโยชน์และความสุขของตนในอนาคตย่อมทนทุกข์ทรมานกว่ามากพวกเขาปล่อยให้ความปรารถนาในความสุขกลับกลายเป็นความทุกข์ยากเสียใจได้อย่างไร โคมประทีปนิรันดร์หมายถึงความตื่นรู้อันสมบูรณ์แสงแห่งโคมประทีปนี้เปรียบเช่นเดียวกับแสงแห่งความตื่นรู้บุคคลผู้สแสวงหาความหลุดพ้นย่อมพิจารณาเห็นร่างกายตนเหมือนกับโคมประทีปจิตของเขาเหมือนไส้ตะเกียงทำวิไนที่ใช้เปรียบเหมือนน้ํามันและพลังแห่งปัญญา เปรียบเหมือนเปลวไฟด้วยการจุดโคมประทีปแห่งความตื่นรู้อันสมบูรณ์เขาได้ขจัดความมืดทั้งหลายและความหลงออกไปและโดยการเผยแผ่ธรรมนี้สู่ผู้อื่นพวกเขาสามารถใช้โคมประทีปเพียงหนึ่งอันจุดต่อโคมประทีปอีกเป็นพันพันอันและเพราะว่าโคมประทีปนี้ ได้จุดต่อโคมประทีปอื่นๆไปอย่างนับไม่ถ้วนแสงของมันจึงคงอยู่นิรันดร น, นานมาแล้วมีพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรผู้จุดโคมประทีปคือความหมายของชื่อท่านแต่ผู้เขากลับไม่เข้าใจการอุปมาอุปไมยของตถาคตเพราะยังคงอยู่ด้วยความหลงและยึดติดในความเป็นตัวตน พวกเขาเพียงจุดตะเกียงทุกๆวันด้วยน้ํามันพืชและคิดว่าด้วยการจุดตะเกียงสว่างภายในอาคารเช่นนั้นพวกเขาได้ปฏิบัติตามคําสอนขององค์พุท ธ, ธะทำไมถึ ง, งโง่เขลาเช่นนี้แสงสว่างที่ฉายโดยองค์พุท ธ, ธะจากพระอุณาโลมระหว่างคิ้วทั้งสอง สามารถจะส่องสว่างให้กับโลกทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณน้ำมันตะเกียงไม่ได้ช่วยอะไรหรือเธอคิดว่าเป็นอย่างอื่นการปฏิบัติวันละหกช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนหมายถึงการเพาะบ่มวิมุติภาวะอยู่เสมอเสมอท่ามกลางประสาทรู้สึกสัมผัสทั้งหก และวิริยะภาคเพียนในการเป็นผู้ตื่นรู้อยู่เสมอมิเคยได้ผ่อนคลายอินทรีสังวรคือความหมายของคำว่าหกช่วงเวลาการเดินรอบพระสถูปพระสถูปคือกายและจิตของเธอเมื่อเธอรู้สึกตัวทั่วพร้อมวนเวียนอยู่ทั้งกายจิตโดยไม่ได้ว่างเว้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเดินรอบพระสถูป ปราชุดูรู้ในสมัยก่อนเดินตามทางนี้ไปสู่นิพพานแต่คนในปัจจุบันไม่เข้าใจความหมายของมันแทนที่จะดูเข้ามาภายในพวกเขายืนกรานที่จะมองออกไปข้างนอกพวกเขาใช้ร่างกายอันเป็นวัตถุนี้เดินไปรอบๆพระสถูปอันเป็นวัตถุและยังคงทาเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืน ทำให้ตัวเขาเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้เข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของเขามันก็อีกเช่นกันในการอดอาหารมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากเธอไม่เข้าใจความหมายจริงๆของมันการอดแปลว่าควบคุมมันหมายถึงการควบคุมกายและใจของเธอเพื่อไม่ให้ถูกดึงดูด หรือรบกวนจากสิ่งกระทบทั้งหลายการสมาทานหมายถึงการยืนยัดสนับสนุนคือการยืนยัดสนับสนุนในการรักษาพระธรรมวินยัยการอดหมายถึงป้องกันต่อต้านต่อแรงดึงดูดของสเสน่ห์แห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมภายนอก และพิษร้ายทั้ง3แห่งความโลภโกรธหลงภายในและมุ่งมั่นพิจารณาเพื่อชําระกายและจิตของตนให้บริสุทธิ์และพิษร้ายทั้ง3แห่งความโลภโกรธหลงภายในและมุ่งมั่นพิจารณาเพื่อชําระกายและจิตของตนให้บริสุทธิ <IS> ์การอดอา เกี่ยวเนื่องถึงอาหาร5ชนิดคือ 1. ความดีใจหรืออิ่มใจในธรรมความอิ่มใจนี้จะมากับการปฏิบัติธรรม 2. คือการสอดคล้องกลมกลืนกับสมาธิความสอดคล้องของกายและจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความเข้าใจในสภาวะปรากฏการทั้งปวง 3. คือวิงวอน การวิงวอนต่อองค์พุทธะด้วยวาจาและใจของเธอ 4. คือความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวความแน่วแน่ในการบำเพ็ญเพียรตลอดทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนและ 5. วิมุติหลุดพ้นการหลุดพ้นของจิตของเธอจากสิ่งมัวหมองของโลกทั้งห้านี้ คืออาหารที่ต้องรับประทานตอนอดอาหารถ้าบุคคลไม่รับประทานอาหารอันบริสุทธิ์ทั้งห้าอย่างนี้เขาก็ผิดแล้วถ้าจะหลงคิดว่าตนได้ทําการอดอาหารอย่างสมบูรณ์เช่นกันเมื่อเธอหยุดอาหารแห่งความหลงถ้าหากเธอเผลอ ก, กินมันอีกเธอก็ละเมิดการอดอาหารของเธอและเมื่อเธอละเมิด เธอก็จะไม่ได้รับบุญกุศลอันใดจากมันโลกนี้เต็มไปด้วยคนหลงที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้พวกเขาปล่อยกายปล่อยใจไปตามอำนาจของความชั่วร้ายพวกเขาปล่อยตัวไปตามราคะตันหาโดยไม่ได้ละอายใจและเมื่อพวกเขาเพียงหยุดการกินอาหารธรมธรมดาธรรมดาพวกเขากลับเรียกมันว่า การอดอาหารช่างไรสารเสียจริงๆมันเช่นเดียวกับการสาการับบูชาเธอควรจะเข้าใจความหมายของมันและปรับไปตามเหตุปัจจัยความหมายนั้นรวมไปถึงการกระทาและการไม่ได้กระทาใครก็ตามที่เข้าใจสิ่งนี้ชื่อว่ากระทาถูกต้องในหลักธรรม การสักการะ บ, บูชาหมายถึงการแสดงความเคารพนับถือและความนอบน้อมมันหมายถึงการเคารพตัวตนที่แท้จริงของเธอและกำจัดความหลงถ้าหากเธอสามารถขจัดตัณหาความอยากอันไม่ดีทั้งหลายของเธอและคิดแต่สิ่งที่ดีๆแม้ว่าจะไม่ได้แสดงอะไรออกมาก็เรียกว่า การเคารพบูชารูปแบบอย่างนี้เท่านั้นที่เป็นรูปแบบที่แท้จริงของการบูชาพระพุทธองค์ท่านต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าใจการสาการบูชาอันถูกต้องซึ่งหมายถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนและการทำจิตให้สงบท่านสอนให้หมอบราบลงไปเพื่อแสดงความเคารพ ไม่ใช่เพียงเพื่อการแสดงออกภายนอกแต่แสดงมาจากภายในแทนเพื่อการสอดคล้องกลมกลืนกันระหว่างสาระสําคัญของใจกับรูปแบบท่าทางบุคคลผู้ไม่สามารถจะเพาะบ่มความหมายภายในได้แต่กลับใส่ใจกับการแสดงออกของรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่มีทางที่จะหยุดการปล่อยตัวไปตามอํานาจแห่งความหลง ความโกรธและความชั่วได้อันเป็นการหมดกําลังไปโดยเปล่าประโยชน์เขาสามารถจะหลอกลวงผู้อื่นได้ด้วยท่าทางอันงดงามน่านับถือโดยไม่ละอายใจต่อผู้รู้และกลับหลงถนนตนท่ามกลางหมู่บุตุชนด้วยกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถออกไปจากสังสารวัตรได้และผลบุญกุศลที่ได้รับ ก็มีน้อยมากแต่จากอุทกกะคารสูตรกล่าวไว้ว่าด้วยการส่งน้ำพระประชาชนย่อมได้รับการสรรเสริญเจริญพรยังไม่มีประมาณนี่ย่อมแสดงให้เห็นถึงการได้รับผลบุญกุศลทันทีที่เราได้มีการกระทำภายนอกออกไป แล้วมันจะเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตอย่างไรการส่งน้ําพระมิได้หมายถึ ง, งการล้างทําความสะอาดรูปวัตถุเมืเ่อพระพุทธองค์ทรงสแสดงอุทกกะคารสูตรท่านต้องการให้สาวกทั้งหลายจดจำธรรมที่เป็นเครื่องชําระล้างดังนั้นท่านจึงให้ความสนใจในการที่จะถ่ายทอดความหมายที่แท้จริง ท่านจึงแสดงถึงบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานโดยวัตถุเจ็ดอย่างอันได้แก่น้ำสะอาดไฟสบู่ไม้สีฟันขี้เท่าสดขี้ผึ้งและเครื่องนุ่งห่มภายในท่านใช้วัตถุทานทั้งเจ็ดนี้เพื่อแทนสิ่งที่จะช่วยกำจัดและชำระล้างความหลงและพิษร้ายต่างๆ ในจิตใจของมนุษย์ประการแรกคือศีลที่จะช่วยชำระล้างขจัดส่วนเกินเช่นเดียวกับน้ำสะอาดล้างความสกกะปรกสองคือปัญญาที่จะทะลุทะลวงในปรากฏการตา์ต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้ทำให้อบอุ่นสาม คือการรู้จักแยกแยะที่จะกำจัดการปฏิบัติตนที่ไม่ดีออกไปเสียเช่นเดียวกับสบู่ที่ใช้กำจัดคราบใครต่างๆ 4. คือความซื่อสัตย์ที่ช่วยชำระล้างความหลงเช่นเดียวกับไม้สีฟันที่ช่วยทำให้ลมหายใจสะอาด 5. คือศรัทธาอย่างแท้จริง ที่จะช่วยแก้ไขคลี่คลายความสงสัยลังเลทั้งปวงเช่นเดียวกับขี้เท้าที่ใช้ขัดถูบนร่างกายเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหกคือคันติความอดทนที่จะเอาชนะความดื้อดึงและความไม่รู้จักละอายเช่นเดียวกับขี้พึ่งที่ช่วยทำให้ผิวนุ่มนวลและเจ็คือฮิริโอตปา เพื่อปกป้องแก้ไขการกระทำไม่ดีทั้งหลายเช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่มภายในที่ช่วยห่อหุ้มป้องกันความน่าเกลียดของร่างกายทั้งเจ็ดนี้เป็นความหมายที่แท้จริงของพระสูตรเมื่อทันแสดงพระสูตรนี้พระตะถาคตได้ตรัสต่อสาวกผู้มองการไกลไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้มีใจคับแคบและมีทัศนวิสัยตื้นเขิน มันจึงไม่แปลกที่คนในปัจจุบันจะไม่สามารถเข้าใจได้ห้องส่งน้ำคือร่างกายเมื่อเธอจุดไฟแห่งปัญญาเธอกำลังอุ่นน้ำบริสุทธิ์ของศีลเพื่อชำระล้างพุทธะที่แท้จริงในตัวเธอโดยการปฏิบัติทั้งเจ็ดข้อนี้ เธอได้สะสมคุณงามความดีและบุญกุศลอันยิ่งพระในสมัยนั้นเป็นผู้สามารถยังรู้และเข้าใจความหมายของพระพุทธองค์เขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านทำให้กุศลของเขาสมบูรณ์ยิ่งและได้ลิ้มชิมรสแห่งพุทธภาวะแต่มนุษย์ในปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ละเอียดลึกซึ้งเขาเพียงใช้เพียงน้ำธรรมดาเพื่อชำระล้างร่างกายและหลงคิดว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามพระสูตรแต่เขาทั้งหมดล้วนผิดพลาดธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะแท้จริงของเราไม่มีรูปร่างและฝุ่นละอองของความทุกข์ยาก ก็ม่ได้มีรูปร่างเช่นกันและบุคคลจะใช้น้ําธรรมดาธรรมดาไปชําระล้างทําความสะอาดร่างกายนี้ได้อย่างไรมันไม่มีประโยชน์และเมื่อไหร่พวกเขาจะตื่นขึ้นเพื่อทําความสะอาดร่างกายเช่นนั้นเธอจะต้องดูมันให้ดีเมื่อสิ่งไม่บริสุทธิ์และความศกปรกทั้งหลายเกิดขึ้นจากราคะอันหา มันจัตวีจํานวนเพิ่มขึ้นจนปกคลุมเธอทั้งภายในและภายนอกถ้าเธอพยายามที่จะชําระล้างร่างกายนี้ของเธอเธอจะต้องขัดถูจนกว่ามันจะหมดก่อนที่มันจะสะอาดได้และนี่เธอควรจะชัดแจ้งได้แล้วว่าการชําระล้างบางสิ่งภายนอกนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ท่านหมายถึงเลย พระสูตรกล่าวว่าบุคคลผู้กราบไหวอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าด้วยใจจริงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทางตะวันตกและประตูนีล้ล่ะที่จะนำไปสู่พุทธภาวะทำไมต้องแสวงหาทางหลุดพ้นโดยการเฝ้าสังเกตจิตเล่าถ้าเธอคิดที่จะสวดอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้า เธอต้องกระทำมันให้ถูกต้องถ้าเธอไม่เข้าใจว่าการสวดอ้อนวอนหมายถึงอะไรเธอจะกระทำผิดพลาดและถ้าเธอกระทำผิดพลาดเธอจะไม่มีทางได้ไปไหนหรอกพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานหมายถึงความตื่นรู้ในกายจิต เพื่อไม่ให้สิ่งมัวหมองทั้งหลายเกิดขึ้นในกายจิตนี้และการอ้อนวอนหมายถึงการเตือนจิตตนการเตือนจิตของตนอยู่เสมอในเรื่องธรรมและวินัยและปฏิบัติตามที่เราควรต้องทำนี่คือความหมายของคำว่าอ้อนวอนการอ้อนวอนนั้นกระทำออกมาจากใจจากความคิดไม่ใช่จากภาษา ถ้าเธอใช้เครื่องมือจับปลาเมื่อเธอจับได้เธอก็สามารถลืมเครื่องมือนั้นได้และถ้าเธอใช้ภาษาเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจความหมายเมื่อเธอเข้าใจเธอก็สามารถลืมภาษานั้นได้เช่นกันในการสวดอ้อนวอนโดยการออกชื่อพระพุทธเจ้า เธอต้องเข้าใจธรรมะของการอ้อนวอนอย่างชัดเจนหาไม่แล้วปากของเธอก็เพียงพร่ำบ่นชื่อที่ว่างเปล่าตราบใดที่เธอยังวุ่นวายไปด้วยพิษร้ายทั้งสามหรือด้วยความคิดปรุงแต่งของเธอจิตที่หลงของเธอก็จะ ก, กันไม่ให้เธอได้พบพระพุทธเจ้าและเธอก็จะเสียเวลาเปล่า การสวดมนต์และการอ้อนวอนต่อองค์พุท ธ, ธเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมากการสวดมนต์กระทำด้วยปากแต่การอ้อนวอนกระทำด้วยใจและเพราะว่าการอ้อนวอนออกมาจากใจมันจึงเรียกว่าประตูไปสู่ความตื่นแจ้งการสวดมนต์ท่องบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ปากแล้วปรากฏออกมาเป็นเสียง ถ้าเธอยึดติดในปรากฏการณ์ขณะที่มองหาความหมายเธอก็จะไม่พบอะไรเลยดังนั้นผู้รู้ในอดีตจึงใส่ใจที่จะเพาะบ่มด้วยการพิจารณาใคร้ครวนตนเองซึ่งมิใช่แค่เพียงคำพูดจิตนี้เป็นแหล่งของกุศลทั้งปวงและจิตนิลละเป็นศูนย์รวมแห่งพลังทั้งหลาย บร ม, มสุขแห่งนิพพานก็มาจากจิตนี้เลยเองการเวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามก็มาจากจิตจิตคือประตูไปสู่โลกทุกๆโลกและจิตก็คือทางข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งบุคคลผู้รู้จักว่าประตูอยู่ที่ใดยอมไม่กังวลเกี่ยวกับการไปให้ถึงมัน บุคคลผู้รู้ว่าทางข้ามอยู่ตรงไหนย่อมไม่กังวลเกี่ยวกับการจะข้ามมันคนที่ฉันพบเดี๋ยวนี้มักเป็นคนที่ไม่ลึกซึง้งเขามักจะคิดว่าบุญกุศล น, นั้นเป็นบางสิ่งที่มีรูปร่างพวกเขาได้ถลุงทรัพย์สมบัติของเขาและเป็นผู้ทำลายล้างชีวิตทั้งบนบกและในน้ำผู้โง่เขา พัวพันตัวเองอยู่กับการสร้างสถูปและเจดีย์เป่าประกาศให้ประชาชนมาเ ก, ก่ออิฐเกาะปูนทาสีเขียวสีน้ำเงินพวกเขากําลังทาสีกายและจิตให้แปดเปื้อนทําร้ายตนเองและทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดและมิได้มีความรู้เพียงพอที่จะรู้สึกละอายใจแล้วพวกเขาเหล่านี้จะบรรลุหลุดพ้นได้อย่างไร พวกเขามองเห็นทุกๆสิ่งเป็นตัวตนและก็ยึดติดกับมันถ้าหากเธอพูดกับพวกเขาเรื่องการไร้รูปร่างพวกเขาก็จะสับสนงุนงงเพราะความละโมบในความเมตตาเล็กๆน้อยๆต่อโลกนี้พวกเขาก็ยังคงมืดบอดต่อความทุกข์อันยิ่งใหญ่ที่กำลังคืบคลานมาสาวกเช่นนั้น ทำตัวเองให้เปล่าประโยชน์เห็นผิดเป็นถูกพวกเขามิได้กล่าวถึงอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนอกจากความสุขอันเลื่อนลอยในอนาคตถ้าเพียงเธอสามารถใส่ใจตั้งมั่นต่อความสว่างภายในของจิตเธอเองและเฝ้าทนุถนอมมันให้มันฉายแสงสว่างออกมาภายนอกเธอจะสามารถขจัดซึ่งพิษทั้งสาม และขับไล่โจรทั้งหกนั้นออกไปจากใจครั้งหนึ่งและจงทำต่อต่อไปโดยไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเธอจะได้รับบุญกุศลอย่างหาประมาณไม่ได้อันสมบูรณ์แบบและสามารถเข้าสู่ประตูแห่งสัจธรรมเข้าใจทะลุปรุกปรงในโลกทั้งสามและแจ้งต่อสิ่งประเสริฐสูงสุดเพียงง่ายได้ดุดกระพิบตา การรู้แจ้งเห็นจริงเป็นเรื่องของปัจจุบันนี้เท่านั้นจะกังวลอะไรต่ออนาคตอันอีกยาวไกลแม้นประตูแห่งสัธจธรรมจะถูกปิดและไม่สามารถถูกเปิดออกได้ฉันได้แต่เพียงสัมผัส ม, สมันไว้โดยการเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตของตนเองไปเรื่อย เฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตการเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตนั้นก็คล้ายกับวิธีการในมหาสติปฐานสูตรของเทรวาทการเฝ้าสังเกตธรรมชาติจิตจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นฐานสำคัญในเซน จะนิยมใช้ลมหายใจหรืออิริยาบทการเคลื่อนไหวเป็นฐานกายเพื่อความตั้งมั่นของสติและเมื่อสติมีความตั้งมั่นต่อเนื่องดีแล้วก็จะเริ่มรู้เท่าทันอาการของจิตภายในไปพร้อมกันอันได้แก่ความรู้สึกพอใจไม่พอใจทุกข์สุขเฉยความคิดการปรุงแต่งต่าง ซึ่งเซนมักจะรวมเรียกว่าปรากฏการ์ด้วยสัมมาทิฐิความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจิตเดิมแท้นั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วในตัวมันเองปรากฏการ์ทั้งหลายล้วนเป็นเพียงมายานั่นหมายถึงปรากฏการ์หรือสภาวะต่างๆของกายและจิตล้วนว่างเปล่า จากความเป็นตัวตนที่แท้จริงที่จะยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นเราของเราได้ท่านจึงสอนให้วางเฉยต่อปรากฏการ์แค่รู้แค่เฝ้าสังเกตอยู่โดยไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับมันเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็จะค่อยๆเกิดปัญญาวิปัสสนา รู้และเข้าใจปรากฏการ์ทั้งหลายตามความเป็นจริงอันจะนำพาสู่วิปัสนาญาณอย่างสมบูรณ์ในที่สุดจุดสำคัญของการปฏิบัติจึงอยู่ที่การมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ต่อเนื่องเช่นเดียวกับในหลักของมหาสติปฐานเี่เซน จึงไม่ได้เน้นที่จะต้องมุ่งไปเอาสมาธิระดับฌานให้ได้เสียก่อนแต่เป็นการดำเนินศีล ส, สมาธิปัญญาไปพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับวิธีการที่เราเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกนั่นเองจุดสำคัญที่สุด อยู่ที่สติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นต้องหมายถึงความรู้สึกตัวอย่างกว้างๆสบายๆรู้ทั่วทั้งกายและจิตไปพร้อมๆกันในขณะเดียวอันเป็นความรู้สึกตัวตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในทุกๆคนไม่ใช่ความรู้สึกแบบจดจ้องเพ่งมุ่งมองมุ่งดูซึ่งจะเป็นลักษณะที่แฝงอยู่ด้วย ตัณหาอัตตาตัวตนอันจะไม่สามารถรู้เท่าทันและวางเฉยต่อปรากฏการได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับปรากฏการของการปรุงแต่งที่ละเอียดละเอียดเช่นสังโยกต่างต่าง